อาตมากเก็บตัวมานานสี่ห้าปีหลังไม่เคยได้ออกมาช่วยงานกูบาอาจารย์โมคณะวันนั้นได้ยินอาจารย์มหาวิรพันธ์นพูดพอได้ข่าวว่าหลวงพ่อมหาดิเรกกูบาอาจารย์ที่เป็นศูนย์รวมใจของทั้งกลุ่มพวกเราความรู้สึกหนึ่งก็คือเราจะอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ได้โยมมาเผาท่านอาจารย์ให้ฟังว่า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 แบบไหนเตรียมพร้อมขนาดไหนนั่นคือในย่าสำคัญพอได้ข่าวหลวงพ่อก็อรู้สึกแค่นี้เหมือนกันไดยินอนาะจารย์หาวิรภันธ์ท่านพูดวันนั้นรู้สึกเออคิดเหมือนกันหลายๆดูช่วงหลังๆมาเนี่ยมันจะมาเจอหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อสิบปีก่อนยังจาได้ในครั้งแรกที่ถามท่านคาแรกที่ไปถามหลวงพ่อนะ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 เราควรพูดในเชิงที่เป็นหลักการบ้างหลักการที่อ้างอิงตามพระไตรปิฎกตามภาพเหมือนเหมือนสติปัฏฐานสายลวงพ่เทียนเราเป็นหนึ่งในหมวดของสติปัฏฐานใช่ไหมจะทําทยังไงที่เราจะขยายภาพให้คนเข้าใจบทภาพจิ๊กซอ่ทางภาพถ้าเราพูดแต่ประสบการณ์พูดแต่อารมณ์ภาวนาหรือว่าพูดแต่การเคลื่อนไหวแบบลวงพ่อเทียนอย่างเดียว บางทีมันดูคับแค่เกิดใบซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่อาตมาได้สนทนากับท่านในเรื่องนี้มันมีอยู่ในวิมุติสูตรวิมุติสูตรพูดถึงเรื่องการเข้าถึงทำห้าอย่างการเข้าถึงทำห้าอย่างอย่างที่หนึ่ง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 เราใช้สิน่นี้มันอุปมาได้หลายอย่างอุปมาเหมือนจุดเทียนไฟที่เผาไหม้อันนั้นคือสติแสงสว่างที่เกิดขึ้นคือสัมปทัญยะเราต้องการใช้ตัวนี้ในสัมปทัญยะตัวที่อาตมาแรกอาตมาแยกมันตอนแรกมีสี่ตัวตามอาการสติสัมปทาญยะถูกสร้างขึ้นโดยตรงไม่ได้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 ในก็ทั้งใจที่กำลังไหววูบความคิดที่เกิดขึ้นความกึดอับที่เกิดขึ้นจิตรับรู้สิ่งเหล่านั้นได้วนไปวนมาอย่างนี้ไม่ลืมถ้าลืมแสดงว่าขาดสติถ้ขาดสติก็กลับมาจิตมันจำได้ว่าเวลาเราขยับกายหน่อยนึงเนี้ย่ยงเคยเป็นไมหล่ะภาวนานานๆเดินๆไปเผลอคิดลืมหมดเลยดูอยูย่มันจาได้วูบขึ้นมาอ้าวเมื่อกี้เราเผลอ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 อาการที่ไม่ชอบออกยมลองสังเกตดูความง่วงเวลาเรานั่งยกมือเวลามันง่วงนี่ความอึดอัดจากความง่วงเป็นตัวหนึ่งใจเราที่พยายามดิ้นลนบหนีไออาการเหล่านั้น <c oughs> เป็นอีอาการหนึ่งนี่คืออย่างที่สองในพวกที่ทำภาวนามานานๆ น, นะแล้วเวลามันกดเก่งเพ่งจ้องมานานๆานเนี่ยพอมันเผลอความรู้สึกตัวเกิดขึ้นวาบเนี่ยมันจะเป็นอาการเบาโลภ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 มันจะเห็นตรงนี้ไหวมากก็เห็นตัวนี้ไหวๆนะใจเราจะเป็นกลางต่อธรรมชาติไหวจิตจะเป็นธรรมชาติมากนี่คือกระบวนการของมันตัวที่สามคือไม่เห็นเห็นมหาพุทธรูปสี่คือเห็นกายเห็นองค์ประกอบของกายโดยเป็นหลักๆเห็นดินธาตุดินน้ําลมไฟเป็นหลักอย่างที่สี่คือเห็น